ไม่ได้เพราะหัตถะก็คือรู ป, ปกายรู ป, ปกายเป็นที่ตั้งแห่งความคิดคือจิตเนี่ยนะทีนี้จิตเกิดขึ้นมันก็ต้องมนสิการอารมณ์แล้วคนทั่วไปคิดอะไรพ้นรูปบ้างอ่ะคิดอะไรก็ไม่พ้นรูปอ่ะนะแม้แต่บัญญัติบัญญัติก็มีรูปเป็นที่ตั้งอีกนั่นแหละดังนั้นถ้าทําปริญญาในเรื่องวัตถุในเรื่องอารมณ์เป็นอย่างดีนะทุกความคิดเกิดขึ้นจะรู้เหมือนอะไรคนที่รู้เสียงตบมือเน่ยนะ คือคนที่รู้จักมือเป็นอย่างดีจึงทำปริญญาในเสียงตบมือได้เนี่ยนะแล้วเสียงตบมือก็แล้วแต่ตบในแง่ไหนขึ้นมาความคิดทั้งหลายไม่ได้ต่างอะไรจากเสียงตบมือแต่แต่ในวิสุทธิมรรคท่านอุปมาว่าเสียงกลองเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวกลองไม่ได้เกิดจากไม้ตีกลองแต่ไม้หมายถึงว่าเมื่อไม้ตีกลองเนี่ยเกิดจากความพยายามของบุรุษกระทบกับ ตัวกลองเสียงกลองก็เกิดขึ้นฉันใดทำทั้งหลายมีภาษาเป็นที่ห้าเหมือนกันไม่ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เกิดจากหัตถะนะไม่ได้เกิดจากอารมณ์ด้วยแต่อาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์เกิดขึ้นถามว่าถ้าถ้าจากักรคูวิ ญ, ญญาณเกิดอยู่ที่ตาเลยนะแล้วมันก็เกิดตลอดเวลาสิไม่ใช่เมื่อมีตามีสีมณสิกังและจิตเห็นจึงเกิดเพราะเพราะประชุมปัจจัยแล้ว่นะได้ปัจจัยประกอบแล้วอ สิ่งเหล่านั้นจึงเกิดนั้นการพิจารณาธรรมะเหล่านี้ยมันเป็นปัญญาที่เข้าไปสอดส่องไม่ใช่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดแล้วก็แล้วมาโชว์ตัวนะแล้วทยอยออกมาแสดงตัวเออชั้นผัสสะนะเออเนี่ยฉันเวทนานะีเขียนใต้ออกมานะถ้าอย่างนั้นต้องสัพพัญยุตยานอย่างเดียวถ้าสัพพัญยุตยานนะทำทั้งหลายแทบจะปรากฏบอกข้าพระองค์ชื่อผัสสะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ชื่อเวทนาพระเจ้าค่ะต้องต้องสัพพัญยุตยานอย่างเดียว แต่ถ้าของเราเนี่ยเข้าไปสอบสวนเข้าไปไคร่ควรวนเข้าไปวินิจฉัยทางมนโนทวานีถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นธรรมารมเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับมนโนทวารเราชนะที่น้อมนึกนี่ครัมันไม่ได้ไปกระทบกับผวังคำว่าอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณตรงเนี้ยมันเป็นอาทิวัจนะสัมผัสนะไม่ใช่ปฏิฆาสัมผัสถ้าปัญจทวารดังกล่าวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นปฏิฆาสัมผัส ถ้ามโนทวา น, นี่ยอาทิวั จ, จะนะสัมผัสเหมือนสัมผัสแต่เพียงชื่อเอานะเราเรารู้ก็ถามว่าเรารู้ไหมว่าคนอื่นเขาโกรธเรารู้เนี่ยนะรู้เพราะถ้าเกิดนางกันนั้นเขาจะด่าเราด้วย <c oughs> แล้วก็ยังรู้ต่อไปอีกมากขนาดนี้นนะแล้วถามว่าแล้วเราไปไปไปสัมผัสกับไอ้โทสะเขายัางไงอ๋ออันนี้มันเป็นแค่อาทิวั จ, จะนะสัมผัสเป็นการสัมผัสทางมนโนทวานเนี่ยนะ เป็นสัมผัสเหมือนกับรับกระทบกต่ชื่อเหมือนกนับกระทบแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีโทสะของเขาอะเราก็ไม่คิดแบบนี้อีกนั่นแหละเพราะโทสะของเขาเราจึงมาคิดแบบนี้อีกครั้งน่ะแต่ทําไมไปให้ความสําคัญกับพวังลนะครับว่าใจใจกับธรรมารมณ์มันเลยไม่ปรากฏแสดงคล้อยตามปัญจทวารหรือเปล่าไม่คล้อยหลักสมมตินะถ้าถ้าไอพวังของเรามันเป็นจุติจิตอะไรจะเกิด เราเราจะโกรธได้ไหมไม่ได้ความคิดนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าอยู่ๆแล้วผวังมันมาเลิกเกิดเลยอ่ะถ้าผวังหมดคุณภาพไม่สามารถเป็นอนันตระปัจจัยแก่อาวัชนะได้อ่ะซึ่งหมายถึงว่าความคิดมีไม่ได้เนี่ยนะังั้นผวังคําว่าผวังมันแปลว่าภาวะบวกอังคะองค์ที่รักษาภพมันเรียกว่ามันธาตุแท้ของเราอ่ะธาตุแท้ของแต่ละคนเนี่ยนะอยู่ที่ผวัง เนี่ยนะธาแท้ถ้าพูดแบบทั้งโลกก็ดีเอของใครก็ของใครอ่ะเนี่นะแต่ละคนก็มีดีเเป็นของตัวเองอ่ะนะซึ่งไม่ต้องไปซ้ํากับคนอื่นอะไรแต่ทางธรรมะก็เอาภวังนั่นแหละเป็นเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับสารพันธุกรรมของนามธรรมาในอดีตชาติมาเนี่ยนะเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรมที่เป็นผลของกรรมตรงๆเลยอ่ะนั้นก็แล้วแต่เราจะคิดอ่ะทีนี้เรื่องเดียวกันทําไมอีกคนหนึ่งเขาคิดฉลาดจังไอ้ทาไมเราซึมอยู่ได้คนเดียวอย่างเงี้ยนะ อีกฟังเรื่องหนึ่งเขาขำแต่เราเฉยอย่างเงี้ยอีกฟังเราขำ ม, มากแต่เขาก็เฉยอย่างเงี้ยทําไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะไอ้ธาตุคือมโนาธาตุหรือภวังอันนั้นมันต่างกันมันมันาธาตุกาเนิดมาจากแตกต่างกันถ้าไอ้ภวังตัวนั้นเป็นติเหตุกะชาวนะพอจะเป็นมรดได้ถ้าภวังเป็นอาเหตุกะพัฒนาไม่ขึ้นถ้าภวังเป็นทวีเหตุกะเออพอจะให้ทานรักษาศีลพอจะฟังธรรมได้แต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะเนี่ย ก็ธาตุเข้ามาได้เท่านั้นนะดังนั้นผวังเนี่ยสําคัญต่อความคิดมากดังั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะศีเลปฏิทายะนโรสปันโยเนี่ยนะบอกว่ า, านรผู้มีปัญญาคือต้องเป็นคนที่ปฏิสนธิด้วยใจเหตุตัวปฏิสนธิด้วยตายเหตุกับภวังตอนนี้เนี่ยนะคือบล็อกเดียวกันไม่ไม่ต่างกันโดยคุณสมบัติไม่ต่างกันโดยลักษณะไม่ต่างกันโดยอารมณ์แต่ต่างกันโดยขณนะ อันนั้นเป็นปฏิสนธิการอันนี้เป็นประวัติการต่างกันโดยขณะเนี้ไอ้ภาวังอันนี้ยถ้าพื้นฐานเป็นติเหตุกะผู้ที่เป็นตัเหตุตุก่านะเบื้องต้นให้ชาวนะเป็นศีลก่อนให้ชาวนะเนี่ยดํารงอยู่ด้วยศีลเมื่อชาวนะดํารงอยู่ด้วยศีลเนี่ยนะจิตตังปัญญัจะภาวะยังอาศัยกุศลศีลในชาวนะเนี่ยรองรับให้เป็นสมถะกับวิปัสสนา แล้วนิปะกะนิปโกคือสาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นดีเยี่ยมเขาจะพึงถางตันหาได้ตันหาเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดในชาวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาชาวนะให้เป็นชาวนะที่เป็นมรถ้าชาวนะคืออารยามรเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นจะ ก, ก, กันอาคุศลได้ทุกชนิดถ้าโดยเฉพาะอารหั ต, ตมรเกิดขึ้นได้นะหลังจากนั้นชาวนะจะไม่เป็นอาคุศลอีกต่อไป ชาวนะเป็นเรียกว่ามหากิริยาอย่างชาวนะของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะนักกุศลและอกุศลมันเกิดในชาวนะทํายังไงที่จะกันอกุศลด้วยมัค ก, ก, กุศลเนี่ยนะให้ชาวนะเป็นอริยมรรคให้ได้อันนั่นแหละจึงจะกันได้ทีนี้ชาวนะเหล่านั้นน่ะคุณภาพมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผวังอย่างเดียวจะจะเจริญได้หรือไม่เจริญก็อยู่ที่ผวัง ถ้าเกิดมาเป็นเดรัฉานอย่างเดียวนะจบเลย้คุณจินจะเอามาฟังทำก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็ดีอะ่ะได้ยังได้ยินบ้างอย่างเงี้ยนะมันก็ได้เท่านั้นจริงๆอะ่ะข้ามันเท่านั้นอะ่ะเอ่อคือจิตโดยเฉพาะพวังเกิดขึ้นต้องมีวัตถุ ก, กับอารมณ์ตัวที่มีบทบาทจริงๆคือตัวพวังไม่ใช่ตัวอารมณ์ของพวัง อ่านะไม่ไม่ใช่ตัวอารมณ์ของผวังอยู่ที่ตัวตัวอ่าตัวผวังเองทีนี้ตัวผวังเองเนี่ยนะคุณภาพมันจะแค่ไหนก็เหมือนกับผวังคืออะไรก็คือผลของการฟังธรรมอย่างนี้แหละชาวนาจิตที่เราฟังธรรมนะสมมุติมันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามอะ่ะไอชาวนะชิ้นิดนี้มันไปไปให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปฏิสนธิเหมือนกับอะไรเหมือนว่า เรามาถ่ายรูปอย่างเงี้ยลงเป็นพาสปอร์ตเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะไอตอนที่รูปถ่ายไว้หน้ายิ้มไม่ยิ้มเป็นโ น, น่นไหนพาสปอร์ตมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนั้นแ่ะก็ดูจากตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะไปพบใหม่ที่เปรียบเหมือนประเทศใหม่เนี่ยนะก็อยู่ที่ตอนถ่ายรูปตอนเนี้ยเอาหน้าชนิดไหนไปหน้ายิ้มหรือไม่ยิ้มเอาเอาชนิดไหนไปนะรูปในต่างประเทศพบใหม่คืออันนี้เนี่ยนะเพราะว่าจริงๆนะอ่ะนะไอมหา ผวังคจิตมหาวิบาก ค, คือเงาของมหากุศลเนี่ยนะคือเงาของมหากุศลซึ่งซึ่งคนที่จะรู้อันนี้ได้รู้ว่าบุญตัวนี้ถ้าผลนําเกิดจะเป็นยังไงอย่างอย่า ง, ย, างยกตัวอย่างอย่างของมาแต่ผููธรรมะอยู่ไงนะถ้ามหากุศลดวงนี้มันนําเกิดปับ๊บคือผลของชาวนะขณะนี้แหละแต่นั่นมันชาติวิบากที่ที่มันเป็นภาพจําลองไป นะถ้าเป็นเหมือนกับเหมือนภาพถ่ายในาพาสปอร์ตเท่านั้นเลยพระการในเกิดในพพใหม่ก็เหมือนกับออกประเทศใหม่ละเนี่ยนะจะไปได้ขนาดไหนก็ดูที่ที่รูปอันนั้นด้วยดูที่ผลอันนั้นนะถ้าจะต่อไปอีกก็ต้องไปทารูปใหม่ก็ อ, อย่างนี้อะวัดตากมันก็ดาเนินไปลักษณะนี้กลับน้ำมัศการถามพระ อ, อาจารย์ค่ะย้อนไปที่พระ อ, อาจารย์บอกว่าอ่าวัชชะมีความสาคัญเป็นเหมือนหัวขบวน เพราะว่าอาวชนะนี้เปลี่ยนได้จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวัตตานี้ได้ทีนี้ก็สงสัยว่าอาวชนะนี้มันเป็นชาติกิริยาที่ความรู้เก่าก็คือว่ากิริยานี้มันสักแต่ว่าเกิดมาทำหน้าที่เฉยๆมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วกิริยานี้น่าจะหมายถึงในปุถุชนซึ่งเหตุใกล้ที่เกิดก็คือพวังพวังนี้มันก็รู้อารมณ์ในชาติอดีตแล้วเราจะ คือไม่เข้าใจตรงนี้ว่าแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกิริยาได้ยังไงอยากให้อธิบายให้ละเอียดคะคือคําว่าอย่างอย่างวิธีจิตเนี่ยนะเราจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเช่นจะคิดถึงศีลหรือจะคิดถึงที่จะล่วงศีลเนี่ยก็อยู่ที่ที่อวชนะก่อนใช่ไหมถ้าอาวชนะไม่เกิดก่อนชวนะเกิดไม่ได้ตัวตัวอวชนะเนี่ยมันเป็นเป็นที่เรียกว่าตัวตัดกระแสผวังเนี่ยนะเป็นตัวตัดกระแสผวัง ทีนี้ถ้าหากว่ายกให้แล้วแกชาวนานะยแล้วอวัชนะรู้อารมณ์อะไรสมมติถ้าอย่างอย่างศีลจะเกิดขึ้นโดยที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์มันต้องคิดถึงดอกไม้ก่อนโดยอวัชนะนะอวัชนะคิดถึงดอกไม้ก่อนชาวนาที่เป็นศีลจึงจะมีดอกไม้เป็นอารมณ์ได้เฉั้นชวนะเอ่ออวชวนเนี่ยมันรู้อารมณ์ตามอวัชนะเนี่ยนะทีนี้มันมันตัวอวัชนะมันเหมือนตัวชี้นำชาวนะ ชี้นำไปทางไหนชี้นำไปหากุศลหรืออกุศลในสิ่งเดียวกันทําไมบางครั้งเราคิดเป็นกุศลบางครั้งเราคิดเป็นอกุศลเอา้าอย่างยกตัวอย่างเรามีดอกมไม้พวงนี้ดอกเดียวเนี่ยนะบางครั้งทําไมเป็นกุศล<ๆ>บางครั้งเป็นอกุศลมันอยู่ที่อะไรเป็นตัวนําเนี่ยอยู่ที่อวัชนะเป็นตัวนําบางครั้งทำมานาัสิกานในแง่สีสวยเป็นต้นเนี่ยนะสีสวยนะเอ๊สวนใครนะปลูกใส่ปุ๋ยอะไรมาจึงงามขนาดนี้ อันนะั้นก็รายละเอียดลงไปยาวลักษณะนี้ก็เป็นโลภะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่ในขณะเดียวกันคิดอย่างนี้ในบางกรณีบางคนเป็นกุศลเนี่ยนะบางบางคนเป็นกุศลทีนี้แล้วแต่น้อมไปอีกว่ามีดอกไม้อันนี้ละเอาไปคิดอะไรต่อไปน้อมเป็นพุทธบูชาเป็นต้นนะะอาวชนะอันนี้ก็ชี้นําไปหากุศลแต่ว่าอย่าลืมว่าอาวชนะเนี่ยสําาอะจะเกิดได้มาก จะเป็นกุศลหรืออกุศลจะนําไปสู่กุศลหรืออกุศลอยู่ที่อุปนิสัยก่อนหน้านั้นมาชาวนะก่อนหน้านั้นนั้นมาแล้วสําคัญตัวหนึ่งคือตัวผวังด้วยเหมือนกันชาวนะจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลจะเป็นคนมักโกรธหรือโกรธมากโกรธน้อยโกรธบ่อยไม่บ่อยเป็นต้นอยู่ที่ผวังเช่นผวังตัวนี้นะะสมมุติว่าผวังเนี่ยเป็นผลของบุญเป็นผลของกราบุญเนี่ยนะทีนี้ก่อนทําบุญมันเป็นยังไง ก่อนทําบุญโทสะแล้วก็ทําบุญทําบุญเสร็จก็โกรธต่ออย่างเงฉะนั้นไอ้ตัวผวังนั้นนําเกิดเอาก็เป็นมนุษย์ละ่ะแต่ว่าอันนี้กระว่าคนเหมือนแผลเป็นเป็ น, ปนกลุ่มแผลตลอดเพราะฉะนั้นกระทบอะไรนี่นี่หน่อยคนอื่นไม่โกรธพวกโกรธหมดอะ่ะนะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มแผลเพราะอะไรเพราะผวังพื้นฐานบุญที่นําเกิดเข้ามากไปด้วยโทสะเนี่ยนะ ทีนี้อันนี้ในแง่ในแง่ปัจจัยแวดล้อมแต่ทีนี้ในหนึ่งความคิดไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเอาเอาจากที่เรามาฟังธรรมเนี่ยนะเกิดเราบอกว่าเราให้ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งสําคัญเลยได้ไหมอันนั้นอนั น, อนเดียวเพราะนั้นทางธรรมะไม่ได้ว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดจากเอิกเหตุผลไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแล้วเหตุเดียวก็ทําให้ผลเกิดไม่ได้แต่ทีนี้การวินิจฉัยแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นสําคัญเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไปที่มาฟังธรรมได้อะไรถือว่าเฉพาะของเราอะไรเป็นหลักเนี่ยนะ ก็แต่ละคนแต่ละคนก็จะปัจใจหลักๆแต่จริงอย่างเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ไม่ได้เกิดจากปัจใจเดียวพระอาจารย์ถ้าในมโนทวาราวัชนะถ้าในปัญจวทวารวิถีก่อนชวนะจิตเกิดเขาก็ชื่อว่าโวัฏฐพณะถ้าในมโนทวารวิถีก็ชื่อมโนทวารวัชน ะ, ะบางครั้งท่านก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนัสการแต่ว่ามันเป็นจิตที่เพียงขณะเดียวแล้วก็เป็นชาติกริยา แล้วอยังมองไม่ออกว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันยังไงตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ให้ความสําคัญกับชวนะที่เป็นกุศลและอกุศลมีความรู้สึกว่าอตรงตตรงตรงรงโยนิโสมนานัสิกานตรงนี้นี่ที่มันได้ชื่ออย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุใกล้ของกุศลเท่านั้นเองอยากอธิบายให้ละเอียดตรงนี้ค่ะอะตอนแรกเขาจะพูดหยาบก่อนคือพูดชวนะก่อน ที่เหลือแล้วเอาเรื่องชาวนะมาหมุนเนะี่ยทําไมชวนานเกิดได้ก็มาจากอาวชนะนะอาวชนะมาจากไหนบอกมาจากพวังแล้วพวังมันชาติอะไรก็บอกมาจากชาติอาบ ต, ตัวมันเองชาติวิบากมาจากกรรมแล้วอาวชนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากากิจของเขาเนี่ยนะเป็นเอเป็นชาติกิริยากิริยาตัวนี้ใกล้ๆมาจากอะไรมาจากอนันตระปัจจัยแล้วอุปนิสัยละ่ะอุปนิสัยมาจาก ชาวนะก่อนหน้านั้นนั้นมาเพราะความตั้งใจอันนั้นก่อนหน้านั้นมาอาวชนะนี้จึงเกิดตามชาวนะที่ชี้นำเอาไว้ก่อนชาวนะก่อนก่อนเช่นเรียกว่าเพราะเรามีศรัทธาในพระธรรมตรายไอ้ศรัทธาที่มีเราต่อพระธรรมตรายแล้วเช่นเราฟังธรรมก็มีศรัทธาในเรื่องศีลพอนี้เราก็จะนึกถึงศีลของเราได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยไอต้ตัวตัวอวัชนะเป็นตัวน้อมนําไปนึกถึงศีล แล้วกุศลศีลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดอยู่ที่การน้อมนึกเขาเรียกว่านึกให้บ่อยๆเอ็นึกบ่อยๆเรียกว่าวัชนะท่านนึกจนชํานาเรียกอวัชนะวสีผู้ที่ได้ชานน่าต้องมีอันนี้เขาเรียกว่ามีอาวัชนะวสีชํานาญในการนึกทีนี้นึกอะไรก็นึกเพื่อจะพิจารณาองค์ฌานเช่นว่านึกพิจารณาวิตกครั้งหนึ่งนึกพิจารณาวิจารั้งหนึ่งนึกพิจารณาปีติอย่างครั้งหนึ่ง เพราะนวัชณะวะสีกับปเจเวคคณะวสีอันเดียวกันท่านนึกได้ก็พิจารณาได้ท่านนึกไม่ได้พิจารณาไม่ได้อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของชาติกิริยาของจิตว่ามีความหมายยังไงคะท่านถึงได้พระอาหารหันต์ท่านก็ยกให้ว่าเป็นชาติกิริยาแล้วก็นวัชนะตัวนี้ก็เป็นชาติกิริยาก็ต่างกันว่าชาติกิริยาของพระพุทธของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเน้นที่ชาวณนะ ซึ่งกิริยาของผ่ารหันว่าไม่ให้วิบากต่อไปไม่ไม่มีวิบากเป็นธรรมดาแล้วก็มีอารหัตตมักเป็นอุปนิสยปัจจัยให้กิริยาจิตของผ่ารหันเนี่ยมีอารหัตตมักเป็นอุปนิสัยแต่ถ้ากิริยาของเราทั้งหลายเนี่ยนะมีพวังเป็นอนันตรูปะนิสยปัจจัยแล้วก็มีชาวนะกรกนเป็นปะกตูปะนิสยปัจจัยให้ะนะโดยโดยปัจจัยมันแตกต่างกัน ฉันชาวนาของพระอรหรนันต์เน้นที่อรหัตกรรมเป็นตัใจัย น, น ะ, ะกิริยาเนี่ยโดยทั่วไปแปลว่าสักแต่ว่าเกิดขึ้นซึ่งไม่ไม่เป็นกรรมต่อไป